ในระหว่างที่เรากลับมารู้กายรู้ใจไม่หาเรื่องที่จะให้จิตส่งออกนอกในบางช่วงก็อาจจะถูกนิวรรบกวน ก็จะเป็นความผุ้งซ่านหรือว่าความม่วงความเบือ่อความลังเลสงสัยอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้แม้กระทั่งกับผู้ที่ปฏิบัติูเป็นประจำมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นอาหารภูมิอากาศ ดูว่าเหตุการณ์ที่มากระทบกับเราในช่วง ใ, ใกล้ๆที่ทำให้จิตมันขึ้นลงเฉื่อยชาสารพัดไหอันนี้ก็ให้เราลองเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างไม่เป็นทุกข์ ส่วนใหญ่เราก็มักจะพยันหนีหรือการไปหาไปเสพอารมณ์อื่นจะได้หายง่วงจะได้หายเบือ่อหรือจะได้กดขมจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านเราก็ใช้วิธีนั้นมามากแล้วแต่มันก็ทำให้เรากลับไปพึ่งพาสิ่งว่าร่อมากเกินไป บางทีในธรรมชาติของเราในใจเราก็มีสิ่งที่ธรรมชาติได้มอบไว้นะที่ให้จัดการหรือเกี่ยวข้องกับอาการเหล่านี้ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาสิ่งเสพหรือวัตถุภายนอกซึ่งอาจะรวมถึงงานการนะเพื่อที่จะทำให้เรานีห่างจากตัวเอง เราสามารถจะอยู่กับตัวเองได้แล้วก็เป็นสุขเป็นปกติได้สงบเย็นได้ด้วยสายสติเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองใช้สตินี้เข้าไปเข้าไปดูแลเกี่ยวข้องกับนิวรณเหล่านี้ เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอยู่กับนิวร์เหล่านี้ได้โดยที่ไม่เป็นทุกข์โดยวิธีการ ก, ก็คือว่าเพียงสักว่าเห็นเห็นมันแต่ก็เห็นโดยที่ไม่เข้าไปเป็น เห็นความง่วงความเบื่อโดยไม่เป็นผู้ง่วงผู้เบื่อเราสามารถจะอยู่กับอาการเหล่านี้ได้อย่างสันติโนะดยไม่ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าจะอยู่ในอำ น, นาจของเราที่จะบังคับบัญชา เช่นสั่งให้มันหยุดสั่งให้มันหายหรือเข้าไปกดคมมันเราทำได้อย่างมากก็เพียงแค่หนีออกจากออกจากเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดแต่เราก็หนีมาบ่อยแล้วและมันไม่ต้องมีหลายสถานการณ์ที่เราหนีไม่พ้นอะไรที่เราหนีไม่พ้นไม่วันใดก็วันหนึ่ง จะดีกว่าถ้าเราเรียนรู้ที่จ ะ, ะเผชิญกับมันเสียแต่น่นเนินอนนี้วอนนี่คือสิ่งที่เราหนีไม่พ้นเราอาจจะหนีได้ชั่วคราวแต่เราเรียนรู้ที่จ ะ, ะเผชิญกับมันคืออยู่กับมันไม่เห็นเป็นศัตรูไม่เห็นเป็นปฏิปักษ์เปิดใจยอมรับ ตามที่เป็นจริงอย่างที่ผู้กันเมื่อวานวิธีหนึ่งก็คือว่าเวลาเราเลือกที่ใดที่หนึ่งที่จะเป็นสถานที่สำหรับการนั่งจรจ่อสติหรือเดินจงกรมก็แล้วแต่ก็พยายามอยู่กับตรงนั้นแหละ อยู่ให้นานเป็นชั่วโมงจนหมดเวลาจนได้เวลาทานอาหารเที่ยงอย่าพยายามย้ายที่นะย้ายที่ย้ายทา่าบ่อยๆมันก็เป็นวิธีหนีอีกแบบหนึ่งเพราะว่าพอเราอยู่ตรงนี้ทำไปได้ห้านาทีสินาที2ี่สินาทีเบื่อย้ายดีกว่า ย้ายไปตรงนี้แล้วเราก็จะพบว่าย้ายไปที่ไหนที่ไหนมันก็อาจจะไม่ทําให้หายเบื่อเลยเพราะว่าความเบื่อมันไม่ได้อยู่นั้นอยู่ใจเราคนเป็นจํานวนมากก็ไม่รู้ทันไม่เข้าใจก็จะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางอยู่เรื่อยแล้วก็พบว่าเปลี่ยนเท่าไหร่ก็ ไม่มีความพอใจสัยทีพระเจ้าเปลี่ยบเหมือนกับหมาคีเรือนหมาคีเรือนนี่มันอยู่ที่ไหนมันก็คันมันก็คิดว่าเป็นเพราะตรงนี้เนี่ยทำให้มันคันมันก็ย้ายมันก็ย้ายไปเลยแต่ความคันก็ยังมีอยู่เพราะว่าที่คันนั้นมันไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตัวมันนั่นแหละการย้ายที่ย้ายทางก็เลยไม่ได้แก้ปัญหา ถ้ามีคนจำนนำนวนมากก็ไปโทษสิ่งภายนอกอาจจะไปโทษว่าผู้คนที่บ้านทำให้ไม่มีความสุขก็ย้ายไปที่วัดพอไปที่วัดก็ก็รู้สึกว่าคนในวัดมีเรื่องวุ่นวายเหลือเกินก็เปลี่ยนวัดก็เปลี่ยนไปเรื่อยเพอาะไปคิดว่าปัญหาอยู่นอกตัว ผู้คนทำให้ฉันวุ่นวายผู้คนเอาแต่นินทากันไปตรงนี้ก็ไม่ดีตรงนั้นก็ไม่ดีก็เลยหนีไปเรื่อยสุดท้ายก็หาความสงบไม่พบเพราะก็ลืมมามองที่ตัวเองว่าจริงๆแล้วในความวุ่นวายมันมาจากใจของตัวเองนั่นเอง ใจที่ฟุ้งซ่านใจที่มองคนแบบติดลบหรือว่าใจที่เบื่อง่ายอันนี้ก็เพาะก็พะปล่อยให้มันเกิดขึ้นเป็นอา จ, จนินจนมันมีกำลังใหญ่ก็กลายเป็นว่า อยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเพราะว่าโดนนิวรนต่างๆเล่นงานเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราลองที่จ ะ, ะเผชิญกับนิวรนเหล่านี้โดยเพราะความง่วงความเบื่อมันไม่ใช่เป็นเพราะสถานที่แต่เป็นเพราะใจเรา ดังนั้นเนี่ยเมื่ออยู่ที่ไหนเลือกที่ไหนแล้วก็ลองอยู่ตรงนั้นให้นานๆอย่างน้อยก็เป็นชั่วโมงแดดมันจะสองบ้างร้อนก็แค่หลบมุมใกล้ๆก็ได้หรือจะใช้ความร้อนเนะึ็นเครื่องฝึกลองดูสิว่าเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นเกิดความร้อนขึ้นที่กาย ทำยังไงใจเราถึงจะไม่ร้อนด้วยอากาศร้อนแต่ใจเย็นนั้นเป็นไปได้แต่ถ้าเราไม่ไม่ลองฝึกที่จะเจอกับความร้อนของอากาศหรือความร้อนของแสงแดดเราก็ไม่มีทางจะพบได้เลยว่าใจเย็นในอากาศที่ร้อนนั้นเป็นไปได้ งก็ถ้าเกิดจะมีแดดสองตรงที่ที่เราเลือกเอาก็ลองดูมันจะมีมแมลงรบกวนมียุงกัดเอาก็ลองดูจะอยู่กับความเจ็บความปวดได้ไหมก็ประเดี๋ยวประเดาแค่ น, นั้นเองยุงกัดแดดร้อนมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรเป็นบททดสอบเล็กๆน้อยๆเพราะว่ายังจะมีตามมาอีกมากมายที่ใหญ่หลวงกว่า บททดสอบที่ใหญ่หลวงกว่านี้ยังมีอีกมากถ้าเราไม่ลองทําบททดสอบเล็กๆ น, น้อยๆดูก็คงจะทําบททดสอบอันใหญ่หลวงนั้นไม่ได้แเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนเลือกตรงไหนทีแรกอาจจะคิดว่าตรงนี้ดีเหมาะสงบแต่ไปอยู่สักครึ่งชั่วโมงเริ่มเบื่อหรือว่าแดดเริ่มซองมแมลงรบกวน จะห น, นีอีกนะจะมนีเพราะความเบื่อแล้วจะหนีเพราะว่ามันสถานที่มันไม่สัปปะยะอย่างที่เราคิดอันนั้นวิธีนั้นเราก็ทำมาบ่อยแล้วลองดูกับมันไปเชิญกับมันแล้วก็เอาสติเข้ามาช่วย แดดร้อนแต่ใจไม่ร้อนเห็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับกายยุงกัดแมลงกัดแต่ว่าใจไม่ทุกข์บางทีมันก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็แค่รบกวนบินตอมที่หูมันก็ไม่ได้ทำให้เราทุกข์เท่าไหร่แต่ถ้าใจไปคาดหวังเอาความสงบว่ามันต้องสงบอุสามาถึงนี้แล้ว มันยัต้องสงบพอมีอะไรมารบกวนนิดหน่อยมันไม่ตรงกับความคาดหวังเปิดผิดหวังขึ้นมาก็ทุกทันทีวางวางความคาดหวังความน่าจะเป็นแล้วก็ยอมรับมันอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราได้ ได้เรียนรู้ที่จะปักหลักเผชิญกับสิ่งต่างๆที่มารบกวนใจและกายโดยที่เราก็ยังรักษาความเป็นปกติอยู่ไว้ได้นักปฏิบัติถึงจุดหนึ่งก็ต้องพร้อมที่จะเจอกับทุกอย่างไม่ว่าบวกหรือลบดีหรือเลวสบายหรือวุ่นวาย เพราะว่าเราปฏิบัติเราต้องเข้มแข็งเข้มแข็งโดยมีความยืดหยุ่นอ่อนหยุนหมายเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แต่เข้มแข็งเพราะจิตตั้งมั่นแล้วเสียงดังก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทุกข์บางทีปฏิบัติไปปฏิบัติไปเสียงดังหน่อยก็ไม่ได้สมัยที่ยังไม่ปฏิบัติก็ ทนเสียงดังได้แต่พอปฏิบัติยิ่งปฏิบัติไปยิ่งทนเสียงดังไม่ได้อันนี้ก็แสดงว่ากลายเป็นคนอ่อนแอไปแล้วเพราะว่าคนที่ไม่ปฏิบัติเขยิ่งทนได้แต่ว่าเราเราปฏิบัติกับทนไม่ได้จะทําอะไรก็รื้สว่าโอดมันรบกวนจิตใจทําให้ไม่สงบคนหนึ่งก็ทําได้ทั้งนั้นที่เขาไม่ปฏิบัติแต่เราพอยิ่งปฏิบัติกับทาไม่ได้อันนี้ก็แสดงว่า คงจะปฏิบัติผิดทางแล้วเพราะว่าทำให้จิตใจอ่อนแอแล้วก็แข็งตึงคืออ่อนแอตรองที่ว่ามีอะไรกระทบไหนก็ทุกข์แข็งตึงก็คือว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นนะอย่างอื่นไม่ได้นะคือมีสเปกล็อกเอาไว้เลยอะไรที่มันไม่ถูกสเปกก็จะทุกข์ทันทีนี่เรียกแข็งตึง แต่นักปว่บาจริงๆนี่ยเขาอ่อนยุนแต่ในความอ่อนดุนนม่คือความเข้มแข็งอ่อนดุนคือว่าอะไรก็ได้หนาวก็ได้ร้อนก็ได้เสียงดังก็ได้สงบก็ได้ฉันก็เป็นปกติเหมือนเดิมฉันอยู่ได้ในทุกที่อันนี้เราอ่อนดุนคือว่ า, าสามารถที่จะปรับใจไปตามสถานการณ์ แต่ว่ามีความเข้มแข็งตรงที่ว่าจิตใจสามารถสงบตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดเวลาเจออะไรก็ไม่ทุกเจออะไรมาก็ทุกก็ไม่ทุกร้อนก็ไม่ทุกเหนาวก็ไม่ทุกนี่เราเข้มแข็งเข้มแข็งเพราะจิตใจอ่อนโยนคือพร้อมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่โดยไม่โดยไม่วันไหว อันนี้พอเราเรียนรู้ที่จะฝึกอยู่กับสิ่งต่างๆที่มากระทบแม้จะไม่น่าพอใจโดยเพราะเมื่อมันปรากฏเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ที่ที่ที่ไม่ไม่ปรารถนากโกรธหุดหงิดเครียดง่วง เบื่อหรือว่าเวทนาปวดคันร้อนก็ดูกับมันได้อยู่กับมันได้ ก, ด ก, ก็ก็ปล่อยให้มันปเป็นเรื่องของกายไปแต่ใจไม่ไม่ไม่เอ อ, เ อ, อหอบหมกด้วย น, นี่เราอยู่กับมันได้กายมันจะร้อนก็อยู่กับมันได้ ปายมันจะคันก็อยู่กับมันได้มีความปวดความเมื่อยก็อยู่กับมันได้เบื่อง่วงสําคัญก็อยู่กับมันได้แล้วเราก็จะเห็นเลยเออเดี๋ยวมันก็อยู่มันสุดท่านมันก็มันก็อยู่ได้ไม่นานเองมันก็เป็นแค่การตุกกะจอนเข้ามาแล้วก็ไปพออยู่กับมันได้นานๆก็จะรู้ว่ามันมาแล้วมันก็ไปกระเดียวกระดาว ไม่สามารถจะคลองจิตคลองใจเราได้เลยอันนี้พราะเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันจกนกระทั่งในสุขก็พบว่าอาการเหล่านั้นไม่ว่าเกิดขึ้นกับกายและใจมันมาแล้วมันก็ลาถอยกลับไปมาแล้วก็ลาถอยกลับไปอันนี้พราะจิตที่ตั้งมั่นด้วยสตินั่นเองแล้วก็ให้พวกเราได้ใช้ช่วงเวลาช่วงเช้านี่แหละไปจนถึง บ่ายโมงนะทำใจให้มีความตั้งมัน่นพร้อมที่เผชิญกับสิ่งต่างๆโดยไม่หนีอยู่กับที่ไหนก็อยู่ให้มันนานๆถ้าอยู่ได้จนตลอดเลยก็ยิ่งดีตนะั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึงเช้าเอนอยู่ตรงนั้นแหละเลือกแล้วก็ใจเดียวเลยปักอยู่ตรงนั้นแนหะเมื่อกายปักตรงไหนต่อไปใจมันก็จะตั้งมั่นได้ง่ายขึ้น บางครั้งบางคราวอาจจะเข้าห้องน้ําำก็เข้าห้องน้ําเดินอย่างมีสติเข้าห้องน้ําระหว่างที่เปิดรองที่ล้างหน้าระหว่างที่ถ่ายน้ำถ่ายเบ า, าก็เป็นโอกาสเจริญสติไปด้วยอาจจะคึงนิ้วหรือตามลมหายใจก็รู้เวลาน้ําล้างหน้ า, าก็รู้รู้สึกตัวให้สติ แทรกซึมผสมประสานเข้ากับอิลียบท่างๆในชีวิตประจำวันที่ไม่ใช่แค่การนั่งหรือการเดินจงกรมเท่านั้นใส่ใจลงไปในทุกอย่างเอาใจใส่ลงไปเอาสติใส่ลงไปในทุกอิรียบทในทุกการกระทมหากจำเป็นต้องคุยก็คุยอย่างมีสติที่จริงการปฏิบัติในในห้องน้า น, นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญ วันนึงเราใช้เวลายอยู่ในห้องน้ําประมาณบางคนอาจใช้เวลายย2ชั่วโมงทั้อาบ น, น้ำทั้งล้างหน้าทั้งถ่ายนักถ่ายเบาแล้วก็เป็นดูแลร่ลางกายแต่งหน้าทําผมบางทีก็นานรวมทั้งหมดแล้วก็บางคนก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่าชั่วโมงบางคน ก, ก็2ชั่วโมงตอนหนึ่งวัน มีคนประมาณว่าเนี่ยคนเราที่อายุถึงเจ็ดิบแปดสิบมีใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำทั้งหมดรวมแล้วทงเจ็ดปีเจ็ดปีอย่างเดียนอยู่ในห้องน้ำถ้าเราปฏิบัติทำเวลาอยู่ในห้องน้ำอย่างน้อยแค่แค่หนึ่งในสิบของเจ็ดปีนี้ก็สติก็จเจริญงองงาม อย่างนึกไม่ถึงเลยที่บอกว่าไม่มีรับปฏิบัติไม่มีรับปฏิบัติเนะี่ยที่จริงเพราะว่าไม่ได้เอาเอาสติใส่ลงไปในกิจกรรมเหล่านี้เวเวลาอยู่ในห้องน้ำก็เป็นเวลาที่มีค่าที่เป็นของเราที่ควรใช้เป็นโอกาสในการปฏิบัติ ด, ด้วยแล้วเราก็ทีนี้ก็ให้เราแยกย่างไปปฏิบัติ อยากเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้ปฏิบัติบางทีข้อจะไม่คุยกับเราเราทักแล้วเขาก็พูดคุยกับเรานิดหน่อยก็อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจหรือไปกดเครื่องเขาเพราะเขาหลังตั้งใจปฏิบัติอยู่กับตัวเองเราก็ให้โอกาสเขาด้วยละก็ย้ายๆกัน